พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพลนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องวควบคุมใจ พระพุทธเจ้าว่าเราตถาคตเป็นผู้แนะนำสั่งสอนทางทางออกจากโรคทางไปสวรรค์ก็ดีทางไปนิพพานก็ดีเราตถาคตเป็นผู้แนะนาสั่งสอนให้เท่านั้นแหละตนนั่นแหละพวกอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายต้องทำเอาเองแม้พระพุทธเจ้าทั้งหลายภาษาวกทั้งหลายก็ทำเอาเองทั้งนั้นตนแหละทำให้ตน ตนจะออกจากโลกก็แม่นตนตั้งอกตั้งใจทำใส่ตนตนจะติดอยู่ในโลกก็แม่นใจของตนไม่อยากไปเพราะหลงตนหลงตัวทางปฏิบัตินาะเราก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเอาพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนหรือครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนก็ไม่หนีจากกายคตาคือปัญจกรรมฐานนี่แหละต้องพิจารณา เราจะพิจารณานอกมันไปก็เป็นนอกไปเสียไก่ไปเสียเพื่อให้จิตให้ใจนั่นแหละรู้จักสกุลไก่อันนี้รู้จักก้อนอันนี้ว่ามันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นของกลางไม่ใช่ของใครสักคนเรานี้ได้สมบัติอย่างดีคือสกลไก่นี้มีตาหูจมูกลิ้นกายดีมีใจดีได้สมบัติอันดีมาใช้ เราจะใช้สอยมันเราจะเดินทางไปสวรรค์ก็ดีจะเดินทางไปพนิชพานก็ดีต้องอาศัยอันนี้จะมีแต่ดวงจิตอย่างเดียวก็ไม่สำเร็จอะไรหมดทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าได้เทศไว้ว่ามโนปุกพังเข้ามาธรรมามโนเศษฐามโนมยาทำทั้งหลายจะทำดีทำกุศลดีก็ใจนี่แหละเป็นผู้ถึงก่อนเป็นผู้ถึงพร้อม จะทำบาปอากุศลก็ใจนี่แหละจะผ่องแพ้วแจ่มใสเบิกบานก็ใจนี่แหละจะเศร้ามองขุนมัวก็ใจนี่แหละใจเศร้ามองขุนมัวแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขขันใจผ่องแพ้วแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านว่ามณ ะ, ะสาเจประสันเนนะบุคคลผู้มีใจผ่องแผ้วดีแล้วแม้จะพูดอยู่ก็มีความสุข แม้นจะทำอยู่ก็มีความสุขตโตนะสุขมะมเนวติอยู่ที่ไหนที่ไหนก็มีความสุขมีความสุขเหมือนกะเงาเทียมตนไปชายาวะอนุปายินีเหมือนเงาเทียมตนไปไปสวรรค์ก็ดีมามนุษย์ก็ดีเพราะเหตุนั้นแหละให้เราพากันตั้งใจอบรมตั้งสติไว้ที่ใจควบคุมใจให้มีสติมีสัมปชัญญะ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอการทำการพูดการคิดก็อย่าให้มันผิดมันพลาดไปควบคุมให้มันถูกคั้นมันผิดมันพลาดเราก็มีสติยังไว้ละปล่อยวางไม่เอามันทางมันผิดนะพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปพมโลกทางไปพระนิพพานพระองค์ก็บอกไว้แล้วให้วางกายให้เป็นสุจริตวาจาให้บริสุทธ ใจให้บริสุทธิ์นี้ทางไปสวรรค์ทางมามนุษย์ทางไปพระนิพพานให้บริสุทธิ์อย่างนี้ทางไปนรกนั่นเรียกว่าทุจริตนั้นทางกายทางวาจาทางใจอันนี้ทางไปนรกเราจะเว้นเสียไม่ไปละรู้จักแล้วเราจะไปแต่ทางที่ราบรื่นทางสบายการเดินก็ทางกายวาจาใจเท่านั้นแหละ ผู้ที่จะเที่ยวเอาพบเอาชาตินับกลับนับกันไม่ได้ตั้งแต่โลกเป็นโลกมาคือดวงจิตของเรานี่เองดวงจิตของเรานี่เองเป็นผู้ก่อกรรมก่อเวรแล้วก่อเล่าไม่เบื่อสักทีก็แม่นดวงจิตของเรานี่แหละเพราะเหตุนั้นเราจึงต้องอบรมจิตใจของเราให้ดีให้ใจรู้เสียใจนี่แหละมันเป็นผู้หลงจนนับพบนับชาติไม่ได้ พบน้อยพบใหญ่เที่ยวอยู่ในสังสารจักนี่จึงให้เข้าใจเสียว่าเจ้ากรรมในเวรคือใจตัวกรรมแม่นใจดวงใจอันเดียววิญญาณอันเดียวเป็นตัวกรรมแต่งกรรมเสียแล้วให้เวียนตายเวียนเกิดที่นี่ไม่เลิกเรารู้จักแล้วเราต้องควบคุมใจแนะนำสั่งสอนใจทำใจของเราให้ผ่องแผ้วว่าเอาย่อๆนี่แหละ วางขวางก็ได้ยินมาพอแหงแล้วเอาย่อๆควบคุมใจเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้ใจนี้เจ้าของนรกก็แม่นใจนี่แหละเลิกทิ้งนรกก็แม่นใจนี่แหละขันมันไม่ดีละก็ร้อนเป็นทุกข์เหมือนใจจะขาดขันใจไม่ดีละมันกุ้มใจเป็นทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่แหละถือว่าเราเป็นเรานี้ก็เพราะใจนี่แหละไม่ใช่อื่นดอกเพราะมันไม่รู้ ท่านเรียกว่าอาวิชชาตัวใจนี่แหละอวิชชาเราจึงควรสดับตับฟังแล้วก็ค้นคว้าพิจารณาค่อควรหาเหตุผลทุกมันมาจากไหนให้พิจารณาทุกก่อนทุกเป็นของจริงอันประเสริฐมันมาจากไหนค้นขึ้นไปสิเห็นแต่มาจากโง่นั่นแหละดวงจิตเป็นผู้โง่มันต้องเป็นมันต้องเดือดร้อนมันถึงไข้มันถึงปรราถนา มันถึงอยากเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เพราะเกียดเพราะชังมันชังมันก็ไม่อยากเป็นแล้วก็หาของมาแก้ไขหาคิดอีอย่างมาทาหนังเหี่ยวก็เอามาทาลอกหนังออกมันได้กี่วันมันก็เหี่ยวอย่างเก่านี่หาทางแก้ดูท่านว่าวิภวตันหามันเป็นกับดวงใจเราสะดับรับฟังอยู่อบรมอยู่ทุกวันนี้ ทำความเพียรอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะอยากรู้จักใจของเราคันรู้แล้วก็คุมเอาแต่ใจนี่ขัดเกาเอาแต่นี่สั่งสอนเอาแต่นี่ให้มันรู้เท่าสังขานี่แหละมันไม่รู้เพราะมันโง่ว่าแม่นหมดทั้งก้อนนี้เป็นตัวเราเป็นผู้หญิงผู้ชายยึดถือไปยึดถือออกไปรอบๆแผ่นดินยึดในตัวยังไม่พอยึดแผ่นดินออกไปอีก นี่แหละเพราะความหลงก็ยึดทั้งการทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างเรียนวิชาศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะบํารุงบําเลอครอบครัวของตนบํารุงบําเลอตนให้เป็นสุขบํารุงพระศาสนาค้าจุนพระศาสนาก็เป็นการดีขอให้รู้เท่าแล้วอย่าไปยึดมันเท่านั้นแหละในปฏิจจสมุตประบาทท่านว่าอาวิชชาให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปท่านว่าให้ดับความโง่อันเดียวเท่านั้นพ้นดับหมดเพราะทำทั้งหลายไหลมาแต่เหตุทำทั้งหลายคือดีก็ดีชั่วก็ดีไหลมาแตเหตุคือความโง่ความไม่เข้าใจคิดว่าเป็นตัวตนก็ได้รับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สืบไปท่านเรียกว่าวัตตะการวนวนไม่มีที่สิ้นสุด เราท่องเที่ยวอยู่นี่ตั้งแต่แผ่นดินเป็นแผ่นดินมาแล้วทุกคนนี่แหละคุณหมอก็ดีคุณหญิงก็ดีเกิดมาชาตินี้นับว่าบุญบา ร, รมีอันพวกท่านทั้งหลายได้อบรมศินห้าสินปรักษาอุโบสถรักษากรรมบวสิทธิ์จึงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์เกิดมาก็ไม่เป็นผู้เกียจค้านไม่เป็นผู้มกักนายมีความพอใจสแสวงหาวิชาศิล ป, ปะจนได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นสูง นี่ก็เพราะบุญกุศลของเราได้สร้างสมอบรมมาจึงว่าภูเพจกตาปุญญาตาคือบุญได้สร้างสมไว้แล้วแต่การก่อนแล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรก็หมายเอาสกลกายอันนี้หรือจะหมายเอาแผ่นดินฟ้าอากาศก็ได้หรือจะหมายเอาประเทศที่มีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นถาวรและมีอาจารย์นักปราชญ์แนะนําสั่งสอนได้ อันนี้ก็ว่าประเทศอันสมควรปุเพจั ก, กัตาบุญยตาพวกเราได้เคยอบรมสร้างสมบุญกุศลมาหลายพบหลายชาติแล้วจึงเป็นผู้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ได้เกิดในประเทศอันสมควรประเทศเราได้นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่บรรพบรุษจนตับเท่าทุกวันนี้เราก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ตั้งตนไว้ในที่ชอบคือตั้งตนไว้ในการสดับตับฟัง ทราบทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกก็ดีเกื้อกูลอุดหนุนโลกให้เจริญได้ชื่อว่าเป็นผู้ทําอัตรประโยชน์ประโยชน์ของตนก็ได้แล้วประโยชน์ของผู้อื่นของโลกก็ได้อยู่นี่แหละชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบแล้วก็ตั้งตนอยู่ในศีลในการภาวนาตั้งตนอยู่ในการสดับรับฟังนี่เรียกว่าอัตสัมมาปณิธิตั้งตนในที่ชอบ ท่านกล่าวว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสุดให้มีสติควบคุมใจของตนอันนี้ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ในที่ชอบอย่างสูงสุดนี่แหละให้ควบคุมดวงจิตของเราให้รู้จักเสียเจ้ากรรมนายเวรก็คือดวงจิตของเรานี่แหละผีนรกก็เป็นดวงจิตอันนี้สวรรค์ก็เป็นดวงจิตอันนี้พรมโลกก็ดวงจิตอันนี้ คันรู้จักแล้วก็ทำความเพียรต่อไปจนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในอัตภาพของตนที่เป็นมาลายพบหลายชาติการเกิดเวียนไปเวียนมาก็ไม่ได้อะไรมีแต่การสะดับรับฟังมีแต่การบริจาคให้ทานมีแต่สินของตนเท่านั้นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในติดตามไปกับดวงจิตของเราทุกพบทุกชาติจิตเมื่อมันทาความชั่วไว้แล้วก็ไม่ลืม ใครไม่ต้องการสักคนหมดทั้งนั้นความชั่วบาปกรรมให้คิดดูแต่นักโทษเขารักเขาป้นสะดมแล้วเขาก็หลบหนีไปซ่อนอยู่ตามป่าเขาตามถาม้าตามดงเพราะเขาไม่ปรารถนาจะให้พวกตำรวจไปจับเขาอันนั้นมันก็ไม่พ้นดอกบาปนะชั้นใดก็ดีคันทำลงแล้วทำบาปอากุศลจิตก็เป็นผู้จำเอาไปตกนรกก็แม่นดวงจิตนั่นแหละเป็นผู้ไปตก อัตภาพคือร่างกายของเรานี้มันก็นอนทับดินส่วนดินมันก็เป็นดินส่วนน้ำมันก็เป็นน้ำส่วนลมส่วนไฟมันก็เป็นลมเป็นไฟของเก่ามันคันพ้นแล้วก็กลับมาถือเอาดินเอาน้ำของเก่าอีกเท่านั้นแหละแล้วก็มาใช้ดินน้ำไฟลมนี่แหละครบบริบูรณ์เอามาใช้ในทางดีทางชอบก็เป็นเหตุให้ได้สาเร็จมรรคผลพนิพพาน พระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีก็อาศัยดินอันนี้แหละประเทศอันสมควรอันนี้แหละสาวกจะไปพนันธิพาณตามพระพุทธองค์ก็อาศัยอัตภาพอันนี้คันไม่อาศัยอัตภาพอันนี้มีแต่ดวงจิตหรือว่ามีแต่ร่างซื่อๆก็ไม่สําเร็จอะไรหมดทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นพวกเทพ ย, ยดาได้ชมวิมานชมความสุขอยู่ตลอดชีวิตชมบุญชมกุศลก็ทําเอามาแต่เมืองมนุษย์ ขันจุติแล้วก็ได้ไปสเสวยผลบุญกุศลของตนขั้นหมดบุญแล้วก็ลงมาเมืองมนุษย์มาสร้างอีกแล้วแต่จะสร้างเอาอันชอบบุญก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบุญอันชอบบาปก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเอาบาปเหมือนพระเทวทัตนั่นต่างคนต่างไปอย่างนั้นอัตมาบอกไว้เท่านั้นว่าให้มีสติคุมดวงจิตสัตว์นรกก็แม่นจิตสัตว์อเวจีก็แม่นจิต พระอินท์พระพรมก็แม่นจิตที่เข้าพระนิพพานก็แม่นจิตไม่ใช่ใครจิตไม่มีตนมีตัวจิตเหมือนวอกนี่แหละแล้วแต่มันจะไปบังคับบัญชามันไม่ได้แล้วแต่มันจะปรุงจะแต่งบอกไม่ได้ไว่ายไม่ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าให้วางมันเสียอย่าไปยึดถือมันก็จิตนั่นแหละมันถือว่าตัวกูอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดี เราถือว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็แม่นจิตนั่นแหละเป็นผู้ว่ามันไม่มีตนไม่มีตัวดอกแล้วพระพุทธเจ้าว่าให้วางเสียให้ดับบิน ญ, ญาณเสียคันดับบิญญาณแล้วไม่ไปก่อพบก่อชาติอีกก็นั่นแหละพระนิพพานละแนะ่พระพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นมันไม่อยู่ที่อื่นนรกมันก็อยู่นี่พระนิพพานก็อยู่นี่ อย่าไปค้นที่อื่นอย่าไปพิจารณาที่อื่นให้คนที่สกลกายของตนให้มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังให้เห็นเป็นของปฏิกูลให้เกิดนิพพานความเบื่อหน่ายมันนั่นแหละแต่กี้มันเห็นว่าเป็นของสวยของงามของดีดวงจิตนั่นเมื่อมีสติควบคุมมีสัมปชัญญะค้นหาเหตุผล ให้ควรอยู่มันเลยรู้เห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลของเน่าเปื่อยผุพังแล้วมันจะเกิดนิพิธาความเบื่อหน่ายจิตนั่นแหละเบื่อหน่ายจิตเบื่อหน่ายจิตไม่ยึดมั่นแล้วเรียกว่าจิตหลุดพ้นถึงวิมุตตวิมุตต์คือความหลุดพ้นจากความยึดถือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นพ้นจากภพจากชาติ ตั้งใจทำเอา